ดิกลารเป็นความออกไปได้อย่างง่ายเดินทางไปเริ่มต้นตได้ก็ไปได้เราจะทำอะไรถ้าเราเริ่มต้นได้ก็ไปได้การศึกษาทรรมินัอยยังทำยัง ยังใช่ไม่ได้ตอนประกอบไปด้วยวิาน <c oughs> วิคือนำไ ป, ปเห็นหลงทาไม่ไ น, ไ น, น า, ายวิไนคือน้ำไปพ้นจจกความหลงไงยะนำไปวินำไป วิคือน้ำไปวิเศษพ้นจากจิงที่น้ำไปมันหลงพ้นจากความหล ง, ว, ลงวิเศษกลัวความหลงมันทุกข์พ้นจากความทุกข์วิเศษกลัวความทุกข์เพราะมันเห็นจึงพ้นถ้าไม่เห็นมันไม่พ้ น, พนเห็นอะไรก็พ้นทั้งหมดนี่คือ ธรรมวินัยดำรงธรรมดำรงวินัยแล้วก็ง่ายขึ้นมีหล่ดับเมื่อนกับเราขึ้นบันไดได้มีก้าวขึ้นได้ก้าวหนึ่งขึ้นได้ก้าวสองขึ้นได้ก้าวสามขึ้นได้ถึงก็ถึงได้ ดังเราสาธยายพระสูตรในองค์มากกว่าจะถึงสมาสมาธิมันมา9มาเ่าสจนถึงสมาสมาธิเป็นอนิสงเป็นผลขึ้นมาได้มันนั่งถ้าหนีแดดก็เข้าร่มถ้าหนีฝนก็เข้าร่ม มันก็ต่างกันถ้ามันยากก็ถึงความไม่ยากถ้ามันทุกข์ก็ถึงความไม่ทุกข์ถ้ามีปัญหาก็ถึงตัวปัญญาเพราะเหตุมันคือปัญหาจึงเป็นปัญญาเหตุมันคือทุกข์คือมันพ้นคือมันจึงไม่ทุกข์เหตุที่มันหลงจึงไม่หลง แล้วก็ชำนาญในการนี้ถ้าเราฝึกตรงธรรมทรงวินยัยดำรงธรรมดำรงวินยัยแล้วก็มีรสชาติมีชีวิตชีวาความหลงไม่ใช่ชีวิตทนจะความหลงได้ ว, ว่ามีชีวิต แทนที่จะประโยชน์แค่ความหลงความลักความชางความสุขความทุกข์พ้นมาจนได้ชีวิตชีวิตมันคือทางสมาธิเนี่ยมีความสุขนามกายมีปกติธรรมชาติความเป็นอยู่ตามธรรมชาติธ ร, รมะคือธรรมชาติสู่ธรรมชาติไม่เป็นอะไร เมื่อเกิดมีโรคมันหายจากโรคเป็นธรรมชาติแล้ววันนี้คนมาถามคนป่วยมาถามเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนจากการร่ป่วยมามากเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรไม่มีตรงไหนเจ็บไม่มีตรงไหนปวดเป็นธรรมชาติจูดธรรมชาติได้ ไม่ใช่ความฉุกมันเป็นธรรมชาติมันมันมีโลกมันพ่นจากโลกโลกคือความหลงโลกคือความทุกข์โลกคือความโกรธโลกคือความพอใจความไม่พอใจมันพ่นจากความพราวะเช่นนั้นมามันฉู่ธรรมชาติมันเลยไม่เป็นอะไรนี่ว่าดำรงธรรม ดำรงวินายนำมาจนถึงความไม่เป็นอะไรอย่นี้เลยว่าองค์มรรคเริ่นต้นจากความเห็นไม่ใช่เป็นด้วยเห็นตาเห็นหลงเป็นเหตุจึงทำให้ไม่หลงเห็นทุกข์เป็นเหตุจึงทำให้ไม่ทุกข์ก็สนใจ ไม่ไม่ก้าวไม่ก้าวล่วงอย่าไปจด่จู่ทำอะไรไม่ได้ก็หยุดทำทำอะไรได้ก็ทำไปไม่ใช่แบบนั้ น, นการปฏิบัติธรรมก็ว่าได้คำ ว, ว่าไม่ได้ไม่มีว่าผิดกับว่าถูกไม่มีคว่า เสีคำว่าหายไปไม่มีหรือได้มาไม่มีมิจะเห็นมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นมันลูกก็เห็นมันหลงก็เห็นไม่มีคำว่าได้นี่คือทมเป็นอย่างนี้เป็นการที่ไม่เหมือนกัน รสชาติของโลกรสชาติของโลกมีผิดมีถูกรสชาติของธรรมไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือสติไม่ว่าความเห็นถูกจับให้ดีๆให้มั่นคงให้แน่วแน่ให้มันคมคมสักหน่อย ถ้ามันคมดีมันเจ็บมันเจ็บผิวได้ก็ว่าได้เหมือนมีดที่คมก็ย่องโกนผมเรื่องเกาดีมีดเป็นคมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจอดสตินี่มันมักจะคม เหมือนกันถ้าเราใช่มันเมื่อใดคมเมื่อนั้นเห็นเนี่ยมันคมแล้วได้เป็นนล่วะไม่ใช่ไม่ใช่สติเห็นเนี่ยคือเมื่อคมแล้วเห็นหลงมันคมแล้วแต่เป็นผู้หลงไม่คมแต่ถ้ามีสติมักจะคมไม่ไม่ทึบเป็น มรักเป็นมรักถ้ามีสติกลายเป็นมรักทันทีไม่เหมือนตอนดื่นมันเห็นมรักต่อตอไปก็ไม่เป็นตอนพระว่าไม่เป็นเครื่องพ้นมันไม่มันไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่หลง นันไม่ใช่ไม่หลงนำไปจริงๆวิคือนำไปนนยะนำไปวิเศษนำไปได้อย่างวิเศษระหว่างเห็นระหว่างไม่เป็นเนี่ยมันวิเศษตรงนี้เราก็ว่าเป็นภาษาพูด ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ที่จริงมันเป็นวิในไม่ได้ไปถอนอะไรทมพาไปทมนำไปไม่ใช่ใครเจ่งกว่าทมเราไม่ได้เจ่งตอนไม่ไหนพระแล้วเจ่งไม่มีใครเจ่ง มิวิเศษตายยะน้อไปอย่างนี้เรียกว่าถ้าทำถูกก็ง่ายถ้าทำผิดก็ยากตั้งต้นให้ให้ถูกดีๆเริ่มต้นให้ได้ดีๆก่อนเมื่อเราได้หลักสูตรเรียนวิชาการได้หลักสูตรอันเดื่นก็ง่าย มันไม่หนีจากสูตรเช่นเราเรียนสูตรอะไรสูตรนักธรรมมันออกตามสูตรไม่ออกตามศกอันศกใครตอบก็ได้แต่สูตรนีไม่ต้องมีหลักหนีไม่พ้นเช่นเขาออกพ่อก ว่าทางโลกความมีความสําเร็จไปได้ไกลเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมมีอะไรทําให้สําเร็จมันออกตามสูตรแบบนี้อะไรทําให้สําเร็จทางธรรมนี่เราก็ถ้าเราได้สูตรมันก็โชว์โชว์สูตรออกมา สติประทานสูตรเหมือนกับเหมือนกับสูตรหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยเห็นกายเป็นสูต ร, ตรหนึ่งถ้ามีสติมันไม่เห็นเหมือ น, นตาเห็นเห็นเบชนามันก็เป็นสูตรพาไ ป, ไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นก้าวที่หนึ่ง้าวที่สองมันเราขึ้น ขาผาขึ้นบ้านผ่านป่าผ่านดงตัดบาเยต่ผ่านมาได้อย่างไรหรือเราเหมือนกับเราทํางานอะไรที่มันเร็จมันบอกไหนที่ไม่เส็จมันก็บอกตรงไหนตรงไหนยังไม่เฉดอย่างสร้างบ้านสร้างเรือนตรงไหนไม่เสร็จตรงไหนมันเ็ดมันก็บอก อันนั่นเป็นรู ป, ปรธรรมจนชีวิตของเราก็นั้นไม่เห็นเหมือนตาเห็นนั่นการสัมผัสเห็นกายก็ย่อมเห็นเวทนาย่อมเห็นจิตย่อมเห็นธรรมจบได้หลักสูตรหนึ่งเป็นวิไนยะน า, นาไปแล้วสูตรนี้นาไปแล้ว เ, เพื่อความสะดวก อ่านออกเขียนได้แต่ฉานไปเรื่อยๆเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจกียตเห็นธรรมก็เห็นเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เกียติไม่ใช่ธรรมย่เข้ามาง่ายกว่าเก่าไม่พลงพลังพับ ผือได้เป็นรูปทำเป็นนามทำเป็นรูปเป็นนามรูปมันก็บอกงามมก็บอกบอกผิดบอกถูกมันคืออะไรจะเรียกเวทนาเหมือนเหมือนเมื่อโต้ได้หรือเปล่าไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องเรียกเวทนาก็ได้เมือนเราอ่านหนังสือต้องพอ ง, พองกอไก ก็อก่ก็ไม่หันนอหนูพ้องไปพ่อ่านได้ส่วนล้วก็ไม่ต้องฟ้องอ่านไปเลยอ่านไปเลยมันเมื่อเห็นรูปเห็นนามอ่านไปได้เลยลูกมันคืออะไเมื่อเห็นรูปมันก็บอกถึง สิ่งต่างๆที่เกิดกับลูกมีเลยว่าแตกฉานไปเลยไม่เห็นลูกเห็นนาําลยมันบอกไปมันมันเป็นทิศทางของมันไปตามไปนี่ก็ตามไปล้นตามไปล้นตามไปล้นไปเห็นหมดจบลูกอาการของลูก มากมายอาการของนามมากมายธรรมชาติของลูกมากมายธรรมชาติของนามมากมายนั้นบอกเห็นตรงไหนจบตรงนั้ น, นความหลงไม่ใช่นามเป็นอาการของความหลงเกิดจากนามธรรมาจบทุก เปนอาการของลูกของนามไม่ใช่นามจริงๆผิวเผินไม่มีรสชาติแต่ก่อนทุกมีรสชาติสุขไมีรสชาติพอมาเห็นแล้วมันไม่มีรสชาติหลงก็ไม่มีรสทุกไม่มีรสสุขไม่มีรสยิ่งมีความโกรธความโลภของหลงยิ่งไม่มีรสชาติ ยาบที่สุดง่ายๆนี่เลยว่ามันบอกเห็นความไม่เที่ยงที่มีก่กับรูปเห็นความไม่เที่ยงที่เกิดกบนามในความหลงก็บอกว่ามันไม่เที่ยงความหลงนี่ในความโกรธมันก็บอกว่ามันไม่เที่ยง ในความลักความชังมันก็บอกว่าไม่เที่ยงลักมีสองลักษณะลักเพื่อให้เป็นเพื่ออยากได้เป็นเจ้าของรักเพื่อิดช่วยเหลือไม่วานเพื่อก่าไม่ชีพวกกับพระสงฆ์ที่มาจาก์มาเจรย์ก่อชีจชัง อาจากดูเพ็รพี่หลานอ๋อมาพูดเท่าอยากได้พูดเท่าผู้แก่มาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เกิดลักคนแก่ไม่เหมือนคนหนุ่มลักกันนะก็เจ่ลักม่เหมือนคนหนุ่มลักนะคนลุ่งลักเพื่อเอาเป็นเจ้าของในความลัก มันก็มีความไม่ลักมีความโกรธได้ในความรักมีความล็กมีความน่ามีความรักก็มีความโกรธได้มีความโกรธได้ก็มีความรัอกอันลักแบบหนึ่งแต่คนเจลัอกลักเพื่อช่วยเหลือไม่วันที่จะโกรธกันอันนี้มักแบบหนึ่งลักแบบคิดช่วยเหลือ เป็นลักแบบธรรมะธรรมาาธาญาติหรือชาติธรรมนั่นแหะนก็มีแบบนี้ก็เ่ความลักที่มันมีแบบหนึ่งทที่มีแบบเืิมมันศูนย์ไปแล้วที่รลักเป็นเจ้าของนั่นมันเห็น มันเห็นถึงความไม่เที่ยงมันเห็นถึงพิษภัยแห่งความรักนะั่นแบบนี้มันมีความรักแบบแบบเป็นมธรรมแบบเนี้ยไม่ใช่รักเฉพาะเจ้าพี่ดองรักไม่ใช่รักเฉพาะคนมันรักทุกอย่างในโลกมันเป็นขั้วใหญ่ไพศาลเป็นอัปปมัญญาธรรมไม่มีที่สุขไม่มีที่สุด หน่อยเยอะนมันมีทั้งความรักไม่ทั้งการช่วยเหลือมีทั้งการให้ภยัยมีทั้งการปล่อยวางสมบูรณ์แบบแต่รักแบบหนึ่งมันไม่คิดจะปล่อยวางเอาให้ได้หรือรักเราพื่อฆ่ากันให้ได้ก็มีเพราะนั้นจึงเห็น มันตอบได้ทั้งสองอย่างความไม่เที่ยงรวมไปทุกมันบอกมันคืออะไรความไม่เที่ยงคืออะไรความทุกข์คืออะไรจะให้มันเป็นทุกข์ปกควองไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์ปกความเป็นทุกข์มันก็ไม่ถูกต้องจุงที่ถูกต้องคือมันเห็นเห็นล้วไม่ไม่เป็น มันจึงเป็นวิไนยะนำไปอย่างวิเศษเพื่อการหลุดพน้นสุดท้ายคือหลุดพน้นมีการหลุดพน้นได้ใช่เป็นอนิสง์ของการของการที่ได้พบได้เห็นบาที่แรกอาจะลัก ส้างสติต่ตอไปสติมันจะสร้างเราดูแลเราตามย่อมรักษาผู้พิทังอยู่เป็นนิดตามย่อมรักษาผู้พิทักษ์ไมตกไปในที่ชั่วที่สุดเป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติธรมานะที่สุดเป็นอย่างนั้นแม้แต่มันเจ็บมันก็รักษามันจะตายมันก็รักษา มันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นปัญหาในชีวิตของรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมมันเป็นเหมือนเป็นปัจจัยทําให้ถึงจุดที่ไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีรูปมีนามมันทําไม่ได้จึงมีรูปมีนามเเพื่อการนี่โดยตรงเราลงมาใช้ดูซิให้มันบอกความเท็จความจริงต่อลอง ย่อมจะเห็นทุกคนความภาพเขียนชอบย่อมเหมือนกับทุกคนเมือ่อเวลามีสติก็ย่อมเห็นความลงเชียงบ่าเชียงไหลไปแต่ให้พยายามเห็น ให้หมันจำเนียนถ้าไม่จานี่จานานจานานสติก็ชํานาญในความหลงํานานในความถูกก็ชํานานในความผิดถ้าเห็นความทุกข์จำนานก็เหตุความฉลาดในความไม่ทุกข์มันมีเหตุมันมีปัจจัยแบบนี้นด้ประโยชน์ พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีทุกข์คงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ผูุชนทุกข์เป็นผุุ้ชนไปเลยหลงเป็นปุุ้ชนไปเลยหลงเป็นละเลียบุคคลก็ได้ด่างพะระโสดาบันบื้องตน้นจักกายาทิฏฐิละได้เพราะแต่ก่อนมันหลงกายบัดนี้ไม่หลงกาย มิจิตจฉาเคยลังเลสงสัยพาให้เป็นพระเรียบุคคลเห็นความลังเลสงสัยพระยาบอดแท้ๆทาให้เป็นพระเรียบุคคลชี้ประดาพละมาตรยึดมั่นถือมั่นทำไม่เป็นพระเรียบุคคล ความยึดมั่นถือมั่นเป็นปุถุชนสกฤติทิฏฐิถือว่าเราสงสยัยหาคำตอบไม่ได้หลงก็ยังหลงอยู่หาคำตอบเกินนี่ไปไม่ได้ทุกข์ก็ยังทุกข์อยู่หาคำตอบเกินนี่ไปไม่ได้สุดเขต งความหลงจบแค่นั้นเลยเอ้าพระอริยะบุคคลขั้นต้นเห็นเห็นก็เห็นความไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้รูปรู้นามนะโุกก็เป็นสุกทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธหลงก็เป็นหลง รักก็เป็นรักเกียรติชังก็เป็นความเกียรชังผมเห็นสกยทิฏฐินั้นไม่จบแคนั้นไม่สงสัยอีกในความหลงไม่สงสัยในความทุกข์ไม่สงสัยในความรักความชังไม่เป็นการบ้านเหลอเลยแล้วเราว่าพระเรลียวคนนักแต่พระโสดาบันผ่านได้ ไม่มีศิลป์พจน์ยึดมัน้นถือมั่นจริงจังเป็นพระอิศฐธรรมเอาแต่อันอื่นมากําหนดคิดใจใต้เห็นรูปก็เอารูปมากําหนดใต้เห็นเฉียงก็เอฉียงมากําหนดถ้าเอารสก็เอรสมากําหนดเต้กลิ่นก็กลิ่นมากําหนด เพาะเรียบุคนไม่เอาเจียง่านี้มากําหนดหรือว่าสีลรพตะปลรมาศไม่เอาพิธีลตีตรงมากําหนดไม่รูปแบบมากําหนดเหนือรูปแบบเหนือลโลกก็เบาเราไปนเนี่ ย, ยมันจะพาเราไปมีสูตรเนี่ยสูตรมันอ่านออกในความหลงอ่านออกในความทุกข์อ่านออกในความโกรธอ่านออก ในความไม่รู้อ่านออกในปัญหามันอ่านออกมันบอกไปมันบอกไปจนถึงความเปิดความแก่ความเก็บความตายมันอ่านออกจบมันความเกลในชีวิตในธรรมชาติไม่มีความเก็บในธรรมชาติไม่มีความตายในธรรมชาติไม่มี มีแต่มีแต่รูปธรรมที่เป็นมหาภูตรภารูปอุปทายรูปก็ไม่มีควา ม, มเจ็บในอุปทายรูปไม่มีความเจ็บในอุปทายรูปไม่มีความตายในอุปทายรูปไม่มีก็เลยไม่มีพบิฉะนั้นในในในในรูปแบบนี้ จึงมันบอกขอบคุณที่มันมีรูปมีนามขอบคุณที่มันมีอาการที่มันเกิดเกิดผูปแบบนามมีอะไรมากมายที่มันบอกเรี่ยงก ว, วาหมาวะฉะกันอย่างไรอาการอย่างายมันบอกนะที่มันเห็นอย่างนี้ไม่ใช่หอบหิวไป เราเจอไหนก็อยู่กับเราเราอยู่จุกโตก็อยู่นี่แล้วออกจากสุตโตไปก็ไปกับเรามันไม่ได้หนีเป็นใดถ้าเราไม่เห็นจบก็จบตรงนี้ตรงโูกตรงนามเลถ้าไม่จบก็ไม่จบตรงนี้ปฏิบัติเข้มคือปฏิบัติปฏิบัติจงังไรปฏิบัติเข้มก็คือหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเลย มันโลงอีกเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพุ่นจากความหลงเข้มทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพุ่นจากความทุกเข้มแล้วอะไรอะไรก็ตามเข้มอยู่ตรงนี้เข้มอยู่ตรงนี้เม็ดเือเม็ดเดียวก็เข้มอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าจิตใก็คมอยู่ตรงนี้แล้วไม่ทํา เหมือนมีล่มในมือมันเห็นไม่เป็นพ้นจากความเป็ น, นงั้นหลงเห็นมันหลงไม่พ้นจากความหลงมันทุกข์เห็นมันทุกข์พ้นจากความทุกข์ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ไขมันก็แช่ตรงนี้จิงิงๆนาะมันก็แช่ตรงนี้จิงจิงหลุดไปได้แนละ้ว จึงเป็นอลิยสัตสเป็นอลิยสัจสี่คือตรงนี้แต่เป็นทิศฎีก็ทิศฎีตรงนี้ถ้าเป็นวิชาการก็เป็นวิชาการตรงนี้ถ้าเป็นปฏิบัติการก็ปฏิบัติการตรงนี้จุดอันเดียวกันเป็นทิศฎีเป็นวิชาการเป็นปฏิบัติการหลงเป็นมันหลงคนเจ้ากรมหลง ทุกเหตุมันทุกคนเจากังทุกอะไรก็ตามวิชาการปฏิบัติกา ร, ร, การทิษฎดีเป็นหลักเป็นเป็นหลักสูต ร, ตรอมตะข อ, อ, องการศึกษาธรรมึาษาชีวิตจึงไม่หวั่นไหวกับเรื่องอะไรในโลกเนี่ย จะเป็นปฏิบัติที่ไหนสํานักใดอาจารย์ไหนหนีไม่พน้นเรื่องสูตรนี่มีกายมีเวทนามีจิตไม่ธรรมเห็นไม่ใช่เห็นกายเอากายเป็นเอากายเป็นต่างกันไม่ใช่ <c oughs> เวทนาก็ต่างกั น, กนไม่ใช่จิตก็ต่างกันไม่ใช่ มือนกันหมดถ้าจะเห็นก็เหมือนกันหมดถ้าจะเป็นก็เหมือนกันหมดเราเหมนทุกเป็นทุกเหมือนกันหมดแต่จะต่างกันก็เหมันทุกเห็นมันทุกไม่ผนทุกอันนี้ต่างกันเป็นการต่างกันกับคู่เป็นทุกนั่นก็เลย ได้ศึกษาเห็นทุกไม่เป็นทุกพ้นจากทุกศึกษาทะลุงแล้วฉิขาแล้ศีลแล้วสมาธิแล้วปัญญาแล้วศีลสมาธิปัญญาศิกขาศึกษาทะลุงย่แยกแตกไปแล้วทุกมันเป็นรุ่นมาอก่อน ไปไหนหายไม่รู้เลยเจ้ก่อนบ้านเป็นรุปเราก็สัมผัสเข็บปวดความทุกข์เห็นมันทุกข์พ้นจากความทุกข์หายไปแล้วเหมือนโอสุตจักกะตวาพุทธรัตัณลัก โอ้สตังอุตมั้มมาลังฮิตังเตยบมุจังพุทตเตยเชนอาชอดินันนาสันตุปัตะวาสัเพทุกขาวุปัจจิเวนตุเตอเอาไปทำหน้ามอนแต่ว่าตามวิชาก็ดีละแต่ว่าเมื่อเรามาทํากับตัวเองนี่หาย มุนตัวนหายโลกทุกวูปจมนตุเตทุกขาวูปจมินตุเตะยาวูปจมนตุเตโลาวูปจมนตุเตทุกโศกโลกยโลคาหาย พุทธะรัตนังธรรมรัตนังสังครัตนังโอชดรักษาโลกสสงชาติเชลามนณะโศกปเทวุทุกข์หอยอันนี้นะคือทำไงเห็นนี่ต้องยากเลยเห็นนี่ต้องนั่งหลังคนหลังงอแล้วนอนอยู่เห็นไม่ได้เลย มันหลงไหมนอนอยู่ยืนอยู่เห็นมาได้เลยนั่งอยู่เห็นมาได้เลยเดินอยู่เห็นมาได้เลยไปที่ไหนกันเข้มที่ไหนกันมันเห็นได้มันน่าจะง่ายนะนอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้มัน ก, ก็อยู่กับเราเนี่ยเมื่อแต่เราให้มัน มีหลักสูตรแบบนี้เอาไว้สติปัฏฐานาสูตรแบบนี้เอาไว้มนท้องมนเอาไว้ไม่ใช่ไปมนคือวริกรรมเป็นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยาภาวนาคือพุทโธพุทโธองผาวภาวนาคือหลงคือลูกไว้หลงที่ไดลู้ไว้ภาวนา หลงที่ไหนรู้ทีนั่นทุกที่ไหนรู้ที่นั่นภาวนาไม่ไม่ไม่เกียดข้านหลงเป็นหลงเกียรติข้านเราทุกเป็นทุกเกียรติข้านเราโก้เป็นโก้เกียดข้านเราไหวชิงคว้างไปเลยงานข้างยุ่งเหยิงแล้วอนากลาจกรรมมันตา อุาคุลาจ้กรรมบรางานยุ Pap ่งเหยิงสับสนอนาคุลาจ้กรรมบรางานไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นมงคลนาคุลาจ้กรรมบรรดางานยุ่งเหยิงสับสนเป็นอภิมงคลหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธเป็นอภิมงคลไปให้ใครช่วยเรา เส้ยข้อสะดวกโชคที่ไหนอับประมงคลเราจึงให้มันภาวนาอย่าอย่าทิ้งวง่วงใจใจตรงนี้ก็จะง่ายไปเรื่อยๆมีหลักมีมี ม, ม, ม, มีเครื่องมือตรงนี้ลหละไปได้เลยเ ล, ยลืตทงทีแ้กก็ทิ้ ง, ว, งว้วงข่วหน้าข่วหลัง หาคำตอบจากความคิดมักง่ายอยากได้ธรรมะหาคำตอบจากความคิดไปถามคนอื่นให้คนอื่นตอบให้ก็จะได้ไวๆคิดเอาอยากได้กุศลก็คิดเอาไม่ได้ทำกุศลก็อดเอากุศลก็แข็งจู้ไม่ได้ในความคิด เพราะอากุศลมันแข็งกว่าถ้าคิดสู้คิดหานะ่ะกุศลมันอ่อนถ้าทําลงไปเน่ยอกุศลมันอ่อนลงมากุศลมันเข้มแข็งขึ้นมา จ, จึงจะชนะได้ไม่ใช่ไปคิดเอามันหล ง, ลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยคือกรรมคือคการกระทําหลงดีไหมไม่ดีไม่หลงดีไหม ดีคิดได้โกรธดีไหมไม่ดีไม่โกรธดีไหมดีคิดได้คําตอบได้ยังทําอะไรไม่ได้เกื้อานนิดหน่อยนะได้มีหลงอยู่นั้นแล้งานของเราได้มีทุกข์อยู่แล้วเล้งานของเรานอนอยู่บนหลงเล้งงานทําลงไปไม่ใช่ลุกไปเดินจงกม นอนอยู่ก็รู้ได้เนี่ยเรานอนสิน อ, นอ้าเจ็บก้าเจ็บของนอนแล้ววันนี้จะงานเป็นชีวิตสุดท้ายวันนี้แล้ ว, ลวตายแล้ววันนี้หายใจได้นอนลาไปอาจจะไม่ตื่นอีกก็ได้วางลองดูสิวางอะไรหลายๆอย่างเราดูวันที่เราลักกวางลองดูของที่เราลักของแข็งวางลองดู ร่างกายของเราที่เราหวงแหนสิ่งของสมบัติพระถานที่เรามเนี่ยวางเราเลยทไม่มีีกแล้วชีวิตเราวันก็มีสติเข้าไปท้ทีเมื่อตายลองดรทีเตรียมตัวตายฝึกหัดตายไปจะทำได้ไหมหรือเ ว, วาลานอนหนลันั่งคิดโน่นคิดนี้ จนวันคุ้มไปเลยมนะันก็ก็ก็ยิ่งจเจริญเลยในเวลานอนยิ่งจเจริญในความหลงถ้านอนไม่เป็นนะนถ้านอนเป็นก็ก็ได้ในสงตื่นขึ้นมาพรรุทธธรรมเลยก็มีมีนะไอ้ชีบท<ด> <ột> นะก็ไนะบ คนเรานาะแต่ไม่อยู่พุทธยานตื่นขึ้นมาแตกนี่สังเกตตัวเองอยู่หลายวันเลยมาพูดในลงตาฟังมาอาจารย์ฉันถะไปเป็นอย่างนี้นอนตื่นขึ้นมามเป็นอย่างนี้ไม่รู้อ่ะไม่ต้องถามตัวเองลูกเองมันต่างเก่ายังไง มันต่างจริงมันเปลี่ยนไปเลยเยอะไปเลยมันทําไมไมันเป็นทําไมมันเป็นอย่างนี้มันอะไรนะทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ไทําอะไรแต่ว่าก่อนนอนก็มีจิตหายใจเข้าหายใจออกมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็ทํากันหลับไปตื่นขึมม้นมาเป็นอีกแบบหนึ่งก็มีเหมือนกัน <c oughs> ไม่มาแต่ที่ทั้งปวง นี่บางทีก็ใช้โอกาสหลงเลยเช่ไหมเอาขณะนี้ไม่ได้ยังกวนเราคิดถึงคนนอนคิดถึงคนนี้รสชาติในความลักความชังเอามาลำดับลานาอะไรอะไรก็ไปล่อยกันใหเวลานอนหลงมากที่สุ ด, ดแล้วประมาดเวลานอนปํางัดเวลา อ, อะไรไม่ไดนะ้ต้องทีทีทีทจักหน่อยนะ เพื่อประหยัดเวลาการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่าจะบอกว่าฤดูนี่แหละเป็นฤดูที่ปฏิบัติสะดวกกว่าทุกฤดูเนาะสัตว์มีพิษไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ออกงูก็ไม่มีพิษฤดูเนี่ยไม่ดูร้อยยุงก็ไม่ดูร้อยอากาศก็ไม่ดูร้อย ฝนฟ้ากไ็ไม่ค่อยชื่นแฉฤดูเนี่ยเป็นฤดูปริเปริกได้มากที่สุดเลยปริเปริกขึ้นอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ไหนก็ได้อยู่กับกายกับใจเราเนี่ยไม่แม้รบกวนเราอย่างนั่งเนี่ยก็เฉพาะอาการหนาวก็อยู่ในผ้าห่มหรอกฉันเข้าแล้วพระหม่มกุมหัวน้องสร้างจังหวะในพระหม่มให้มีไออุ่นขึ้นมา มีรสชาติดีนะตามที่ <มา S 1> ใช้ชีวิตมาได้ดูนี้เป็ น, นดูที่กรรมาฐานเข้มเน่าเทียมมากเพื่อนหนีหมดเราอยู่กับอยู่วัดคนเดียวเป็นชีวิตไม่แบ่งให้ใคร <มา S 1> ก็ <มา S 1> สนุกันเลย จะไปก็ไปเข้มถตาตาย<ป>ลองดูแบบไหนก็ได้นะน้าหลวงตาใช้ชีวิตแบบนักกรรมฐานเนี่ยจะหมักพ้าวัดเอแล้วนะเนาะสมควรใจเวลากับพระพร้อมกัน